คำว่าธรรมะนี้หมายความว่าธรรมชาติเท่านั้นเองที่ว่าธรรมะล้วนๆไม่มีอะไรเจออนนี้คือธรรมชาติถือเอาหลักให้ตรงตัวพยัญชนะว่าธรรมะได้เลยกล่าวคือคำว่าธรรมะนี้แปล ว, ว่าสิ่งที่ทรงตัวมันอยู่ถ้าสิ่งใดมีการทรงตัวอยู่แล้วสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมะแล้วต้องแบ่งออกเป็นสองประเภท สิ่งที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงนี้ประเภทหนึ่งสิ่งที่ไม่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรปรุงแต่งนี้อีกประเภทหนึ่งท่านไปดูเอาเองจะพบว่ามันมีเพียงสองสิ่งเท่านั้นสิ่งที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงเพราะมีอะไรปรุงแต่งนั้นมีการทรงตัวมันเองอยู่ที่ความไหลเวียนเปลี่ยนแปลงนั่นเองหรือว่ากระแสความไหลเวียนเปลี่ยนแปลงนั่นแะคือตัวมันเอง นี่คือความหมายของคําว่าธรรมะคือทรงตัวอยู่ส่วนสิ่งที่ไม่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสิ่งนี้หมายถึงพระนิพพานหรือความว่างอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งนี้มันก็มีการทรงตัวมันเองอยู่ได้ด้วยการไม่เปลี่ยนแปลงคือภาวะเองการไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือตัวมันเองในที่นี้ มันจึงเป็นธรรมะประเภทที่ไม่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งประเภทที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงก็ตามและไม่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงเลยก็ตามมันก็สักแต่ว่าธรรมะคือสิ่ง ท, ที่ทรงตัวมันเองอยู่ได้โดยภาวะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งฉะนั้นจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าที่จะเป็นเพียงธรรมชาติจึงว่าธรรมชาติเท่านั้นไม่มีอะไร มีแต่ธรรมะเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเมื่อเป็นธรรมะเท่านั้นแล้วเราจะไปยึดถือว่าเราว่าของเราได้อย่างไรหมายความว่าเป็นเพียงธรรมชาติซึ่งในภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะคาว่าธรรมะในกรณีอย่างนี้แปลว่าธรรมชาติหรือธรรมดา ซึ่งหมายความว่าเป็นตาตาคือมันเป็นอย่างนั้นเองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเพียงธรรมะสิ่งทั้งปวงจึงไม่มีอะไรนอกจากธรรมะหรือธรรมะก็ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งทั้งปวงดังนั้นก็แปลสิ่งทั้งปวงคือธรรมะ ธรรมะแท้จะต้องว่างจากตัวตนหมดไม่ว่าธรรมะส่วนไหนข้อไหนชั้นไหนประเภทไหนธรรมะจะต้องเป็นอันเดียวกับความว่างคือว่างจากตัวตนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องหาให้พบความว่างในสิ่งทั้งปวงหรือว่าจะศึกษาความว่างก็ต้องศึกษาที่สิ่งทั้งปวงซึ่งรวมเรียกสั้นๆว่าธรรมะ หรือจะพูดเป็นลอจิกว่าสิ่งทั้งปวงก็สักแต่เท่ากับธรรมะธรรมะเท่ากับสิ่งทั้งปวงหรือสิ่งทั้งปวงเท่ากับความว่างเพราะฉะนั้นความว่างก็เท่ากับธรรมะและแต่จะพูดแต่ให้รู้ความจริงว่ามันไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติที่เป็นความว่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยว่าเราหรือว่าของเราก็ตาม ในที่นี้จะเห็นได้ชัดว่าความว่างนี้หรือของว่างนี้ก็คือความจริงของสิ่งทั้งปวงต้องหมดความหลงโดยประการทั้งปวงเท่านั้นจึงจะเห็นความว่างหรือถ้าเห็นความว่างนั้นก็คือปัญญาที่ไม่หลงปัญญาแท้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่หลงแต่ที่นี้มันมีธรรมอีกประเภทหนึ่ง คือธรรมะประเภทอวิชชาหรือความหลงผิดเป็นรีแอคชั่นคือการตอบสนองที่เกิดมาจากการที่จิตใจกระทบกันกับวัตถุหรือโลกเพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเมื่อจิตมีธรรมะประเภทจิตใจกระทบกันกับธรรมะประเภทวัตถุนี้ย่อมมีรีแอคชั่นคือการตอบสนองเป็นความรู้สึกในความรู้สึกนี้ เดินไปทางอาวิชาก็ได้เดินไปทางวิชาคือรู้แจ้งก็ได้มันแล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่สภาพตามที่เป็นอยู่จริงของสังขารกลุ่มนั้นหรือของธรรมะกลุ่มนั้นมันจะเป็นไปในรูปไหนเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะอีกไม่ใช่อื่นแต่เป็นธรรมะฝ่ายอาวิชชาทำให้เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นไปในทางที่มีตัวมีตนหรือของของตน แต่อย่าลืมว่านี่ก็คือสักแต่ธรรมะเนื้อแท้ของมันก็คือความว่างอย่าลืมอวิชาก็คือความว่างเท่ากันกับวิชาหรือเท่ากันกับนิพพานมันเป็นธรรมะเท่านั้นถ้าเรามองมันเป็นแต่ธรรมะเท่านั้นแล้วเราจะเห็นว่าว่างจากตัวตนอยู่เรื่อยแต่ธรรมะในขั้นนี้ แม้จะเป็นสิ่งเดียวกันกับความว่างอย่างนี้มันก็มีผลไปอีกทางหนึ่งตามแบบของอวิชชาคือให้เกิดเป็นมายาว่าตัวว่าตนขึ้นมาได้ในความรู้สึกหรือในความยึดถือเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังให้ดีในธรรมะประเภทที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นประเภทอวิชชาแล้วมันก็รวมอยู่ในสิ่งทั้งปวงรวมอยู่ในคาว่าสิ่งทั้งปวงคาเดียวกันด้วย ถ้าเรารู้สิ่งทั้งปวงจริงๆแล้วความรู้สึกที่ยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอวิชานี้ไม่อาจเกิดทีนี้หากว่าเราไม่รู้ธรรมะหรือไม่รู้สิ่งทั้งปวงปล่อยไปตามอำนาจของสัญชตาตญาณของสัตว์ที่ยังโง่ยังหลงอยู่มันจึงได้ช่องได้โอกาสแก่ธรรมะฝ่ายอาวิชชาหรือฝ่ายยึดมั่นถือมั่นไปเสียทพฤษฉะนั้นคนเราจึงมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นกันอยู่ หลายกับว่าเป็นมรดกที่ตกทอดมาตั้งแต่ไม่รู้ว่าครั้งไหนเราจะเห็นได้ว่าพอเกิดมาก็ได้รับการอบรมแวดล้อมโดยเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างให้เป็นไปแต่ในทางธรรมะฝ่ายที่ไม่รู้คือเป็นแต่ในทางยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนทั้งนั้นการอบรมให้รู้ในทางไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนนี้ไม่ได้ทำกันเลย เด็กๆ เ, เกิดมาไม่ได้รับการอบรมเรื่องไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้กันเลยมีแต่ได้รับการอบรมไปในทางมีตัวมีตนทั้งนั้นแต่อย่าลืมว่าเด็กๆ เ, เกิดมานั้นจิตอันเดิมของเด็กๆนั้นยังไม่มีตัวมีตนอะไรมากมายแล้วมาได้รับการแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนพอลืมตาพอรู้สึกอะไรได้ก็ต้องมีการแวดล้อมให้ยึดถือว่า พ่อของตนแม่ของตนที่อยู่อาศัยของตนอาหารของตนแม้แต่จานสำหรับจะกินข้าวก็ต้องใบนี้เป็นของตนคนอื่นมากินไม่ได้อาการที่เป็นไปเองโดยไม่ตั้งใจคือออโตโนมีคือภาวะอัตโนมัติอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยคือความรู้สึกว่าตัวตนนี้เกิดขึ้นมาและเจริญงอกงามขึ้นเรื่อย ส่วนความรู้สึกที่ตรงกันข้ามไม่เป็นไปในทางตัวตนนั้นไม่มีเลยแล้วมันจะเป็นอย่างไรกว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่คนเท่าเนี่ยมันก็หนาไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยแหละเราจะมีตัวตนเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นตัวตนคือมีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนั่นแหละเป็นชีวิต หรือชีวิตตามธรรมดาก็คือสัญชาตญาณแห่งการยึดมั่นว่าตัวตนแล้วเรื่องมันจึงเป็นไปในทางที่มีแต่จะเป็นทุกข์เป็นความหนักกดทับบีบคั้นร้อยรัดผัวพันหุ้มหอ่อเสียบแทงเผาลนซึ่งเป็นอาการของความทุกข์ทั้งนั้นเป็นอันว่าถ้าลงยึดมั่นถือมั่นแล้วแม้ในฝ่ายดีในด้านดีก็เป็นความทุกข์ ทีนี้โลกมาสมมุติฝ่ายดีหรือด้านดีกันแบบนี้มันจึงหมายถึงความผิดหรือความชั่วหรือความทุกข์ตามแบบของพระอริยเจ้าเพราะว่ามันยังไม่ว่างมันยังวุ่นไปเหมือนกันต่อเมื่อมีความว่างอยู่เหนือนั้นจึงจะไม่ทุกข์หลักใหญ่ของพุทธศาสนาจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าการกำจัดสิ่งนิเสียเพียงคาเดียวเท่านั้นกล่าวคือ กำจัดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนนิเสียโดยอาศัยบทที่ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะนั่นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ทีนี้เมื่อตัวเรามาเป็นตัวเดียวกันกับความยึดมั่นถือมั่นอย่างเป็นตัวเดียวกันแท้ดังนี้แล้วเราจะทำอย่างไรใครจะช่วยเรา หรือว่าถ้าจิตมันเป็นอย่างนี้เสียเองแล้วใครจะไปช่วยจิตอย่างนี้ก็ได้ลองตั้งปัญหาขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรอีกมันก็คือจิตนั้นอีกนั่นแหละเพราะเด็กกล่าวมาแล้วว่าไม่มีอะไรนอกจากธรรมะความผิดก็ธรรมะความถูกก็ธรรมะความทุกข์ก็ธรรมะความดับทุกข์ก็ธรรมะ เครื่องมือแก้ไขดับทุกข์ก็ธรรมะตัวเนื้อหนังร่างกายก็ธรรมะตัวจิตใจก็ธรรมะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรนอกจากที่ธรรมะจะต้องเป็นไปในตัวมันเองโดยอาศัยกลไกที่เป็นไปได้ในตัวมันเองอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปก็สุดแท้ถ้าใครคนใดคนหนึ่งเมื่อได้กระทบโลกนี้มาเข้า เกิดเป็นไปในทางสติปัญญาอย่างนี้ก็เป็นบุญทีนี้ใครคนหนึ่งเมื่อได้กระทบกับโลกนี้มากเข้าเป็นไปในทางความโง่ความหลงมากขึ้นอย่างนี้มันก็เป็นบาปเราสังเกตดูจะเห็นได้ว่าไม่มีใครเสียเปรียบใครเราเกิดมาก็อย่างนี้ด้วยกันทุกคน คือเราก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอยู่ด้วยกันทุกคนและข้างนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีธรรมารมให้ด้วยกันทุกคนแล้วก็มีโอกาสที่จะกระทบกับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยกันทุกคนและกระทบเหมือนเหมือนกันทุกคนแต่แล้วทำไมมันจึงแยกเดินไปในทางโง่บ้างฉลาดบ้างเพราะฉะนั้น ที่แยกเดินไปในทางฉลาดก็นับว่าเป็นกุศลหรือเป็นบุญที่มันแยกเดินไปในทางโง่ก็เป็นบาปเป็นอกุศลแต่มันยังดีอยู่ว่าธรรมะนี้ดูช่างจะเป็นเครื่องคุ้มครองคนเสียจริงๆโดยที่มีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าถูกความทุกข์เข้าแล้วยอมรู้จักหลาบรู้จักจำเหมือนอย่างว่าเด็กๆ เ, เอามือไปจับขยาเข้าที่ไฟอย่างนี้ มันก็คงไม่ยอมขยาอีกเพราะมันรู้จักหลาบรู้จักจําแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องทางวัตถุมันง่ายส่วนเรื่องที่ไปขยาเอาไฟคือความยึดมั่นถือมั่นหรือความโลภความโกรธความหลงเข้านี้โดยมากมันกลับไม่รู้สึกว่าเราขยาไฟมันก็เลยไม่มีอาการที่ว่ารู้จักหลาบรู้จักจามันกลับเห็นไปด้วยความหลงนั้นว่าเป็นของน่ารักน่าปรารถนาไปเสีย การที่จะแก้ไขได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือว่ารู้จักมันยังถูกต้องว่าธรรมะนี้คืออะไรจนรู้ว่าธรรมะนี้คือไฟคือยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันก็จักเป็นไปในทางสติปัญญารู้จักหลาบรู้จักจาต่อการที่จะไปเที่ยวยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วเกิดไฟขึ้นมาสิ่งนี้มันเป็นไฟเผาใจ ไม่ใช่ไฟไหม้มือแต่บางทีมันเผาลึกเกินไปจนไม่รู้สึกว่าเป็นไฟหรือเป็นความเร่าร้อนฉะนั้นคนจึงจมอยู่ในกองไฟหรือในวัตาสงสารอันเป็นกองไฟที่ร้อนอย่างยิ่งยิ่งกว่าเตาหลอมเหล็กอย่างนี้ถ้าเรามองเห็นเช่นเดียวกับที่เด็กขยาไฟและไม่ยอมจับไฟต่อไปแล้วมันก็ไปตามทางนั้นได้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสอธิบายข้อนี้ไว้ว่าเมื่อเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดจิตก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นนี่แหละปัญหามันมีอยู่ว่าเราเห็นโทษของการยึดมั่นถือมั่นหรื อ, อยังถ้ายัางก็ยังไม่คลายถ้าไม่คลายก็ไม่ว่าง พาสิทในมัชฌิมานิกายมีอยู่อย่างนี้เป็นรูปพุทธภาสิทธิ์และยังตรัสไว้ในที่อีกแห่งหนึ่งว่าเมื่อใดเห็นความว่างเมื่อนั้นจึงจะพอใจนิพพานย้อนไปดูอีกทีหนึ่งว่าเมื่อใดเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นจิตจึงจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่น เมื่อคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นจะมีโอกาสมองเห็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าความว่างคือว่างจากตัวตนพอเริ่มเห็นความว่างจากตัวตนเท่านั้นจิตจะเหตไปพอใจในอายตนะนั้นคือนิพพานอายตนะนั้นคือนิพพานก็หมายความว่านิพพานก็เป็นเพียงสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่เราจะรู้จักได้เท่านั้นสิ่งใดที่อยู่ในวิสัยที่เราจะรู้จักมันได้โดยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วสิ่งนั้นๆเรียกว่าอายตนะทั้งนั้นท่านได้ลดเ อ, อนานิพานนี้ลงมาให้เป็นอายตนะอันหนึ่งเหมือนกับอายตนะทั้งหลายแล้วเรายัางจะโง่จนถึงกับไม่รู้จัก อายตนะนี้ได้อย่างไรมันมีอยู่ได้ต่อเมื่อเห็นว่างจากตัวตนเพราะคลายความยึดมั่นถือมั่นจึงจะพอใจในอายตนะคืนนิพพานการที่จะให้พอใจนิพพานนี้มันยากยากเหมือนกับพิกล่าวมาแล้วว่าเรามีชีวิตเป็นความยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่คลาย ไม่เห็นว่างไม่พอใจในอาญตนะคือ น, นิพพานเราจะมองเห็นความจริงข้อนี้ได้โดยมองออกไปถึงศาสนาอื่นดูบ้างในศาสนาอื่นนั้นไม่มีคําว่าอัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเรา เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุว่าในลัทธิอื่นนั้นเขามีตัวเราสำหรับให้ยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่ถือว่าการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรานี้เป็นของผิดมันกลายเป็นเรื่องถูกไปมันกลายเป็นความมุ่งหมายของศาสนาหรือของลัทธินั้นๆไปทีเดียวคือว่าสอนที่เข้าถึงสภาพที่เป็นตัวเราให้ได้เพราะฉะนั้น เขาจึงไม่มีคาว่าอัตตวาทุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราซึ่งพุทธศาสนาสอนว่าต้องละเสียเขากลับมีตัวเราให้ยึดถือในพุทธศาสนาเรานี้มีอัตตวาทุปาทานคือกำหนดชื่อลงไปว่านี้เป็นกิเลสนี้เป็นความโง่นี้เป็นความหลง คือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติจึงมีอยู่ตรงที่ให้ละอัตวาทุปาทานนิเสียและคําสอนเรื่องอนัตตาจึงมีแต่ในพุทธศาสนาไม่มีในคําสอนลัทธิอื่นซึ่งสอนให้มีอัตตาให้ยึดมั่นถือมั่นเข้าถึงให้ได้ส่วนเรานี้ให้ทําลายความรู้สึกว่าตัวตนเสียให้หมดเลยให้เห็นสภาพเป็นอนัตตา คือว่างจากอัตตาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนาตตานี้มีพูดกันแต่พวกเราพุทธศาสนาจะมีความรู้ความเข้าใจขึ้นมาได้ก็แต่ในหมู่บุคคลที่ถูกสอนว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าสอนว่ามีอัตตาที่ควรยึดมั่นถือมั่นเสียแล้วก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติ เพื่อความว่างจากตัวตนนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสังเกตให้เห็นในข้อที่ว่ามันต้องเห็นโทษของไฟเราจึงจะกลัวไฟไหม้เราเช่นเดียวกับที่เราต้องเห็นโทษของไฟคือราคะโทสะโมหะหรือไฟของความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนซึ่งเป็นต้นเหตุของไฟทั้งปวงนี้มันจึงจะค่อยเบื่อหนายเกลียดชังสิ่งที่เรียกว่าไฟ คือคลายความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ไม่คิดที่จะก่อไฟอีกต่อไป